สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิยพิบาลนะครับในวันนี้เป็นวันที่28กรกฎาคม2017ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาครั้งแรกในรัชกาลที่10ก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพรวรางคูลพี่น้องครับเราอยู่ในสองรัชกาลนะครับ บางท่านอาจจะอยู่ถึงสามราชการแต่ว่าผมเองนั้นอยู่ในสองราชการและขอบคุณพระเจ้าที่พระคุณของพระเจ้ามีในชีวิตของผมอย่างเพียงพอเพื่อที่จะได้อยู่ในสองราชการและมีโอกาสา ร, รับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องรับใช้คนไทยเพื่อนำคนไทยมาถึงพระเจ้าครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอวย พ, พร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัชิรลงกรบดินทรเทพยพระวังกูลให้พระองค์ทรงมีพระพรานใหมที่สมบูรณ์และเจริญซึ่งพระราชกรณียกิจและสถิตเป็นมิ่งขวัญประชาชนชาวไทยสืบไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเน้าของพระเจ้าอยู่ในหนึ่งพงศษัตร์บที่สิบครับข้อสิบสี่จนถึง บทที่สิบเอ็ดพี่น้องครับเราจะเห็นถึงชีวิตของกษัตริย์โซโลมอนครับที่พระเจ้าได้ส่งเจิมตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์แต่ก็อย่างที่ว่านะครับเวลาที่คนเหล่านั้นประสบความสําเร็จมากๆเพราะเนื่องจากพระเจ้าประทานให้เขามากเขาจะต้องยิ่งถ่อมตัวลงครับนั่นคือเคล็ดลับของคนที่ประสบความสําเร็จพี่น้องครับ ยอนผู้ให้บัพติสมาได้กล่าวคำคำหนึ่งซึ่งเป็นอมตะมากคำคำนั้นหรือประโยคนั้นนะครับบอกว่าพระเจ้าจะต้องขึ้นข้าจะต้องลงนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะต้องรับเกียรติมากขึ้นส่วนข้านั้นจะต้องด้อยลงพี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ได้พูดถึงสง่าราศีของโซโลมอนโซโลมอนนั้นจะได้รับทองคาหนัก ประมาณ23ตันทุกทุกปีพ ร, พระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในข้อที่14ของบทที่10ครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังจนกระทั่งถึงบทที่11ข้อที่3ครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าทุกปีซุลมอนได้รับทองคำหนักประมาณ23ตันยังไม่รวมภาษีอากรจากพ่อค้าวานิชและเครื่องบรรญการจากบรรดาเกษตรอาราเบียและเหล่าผู้ปกครองดินแดนนั้น กษัตริย์รมอนทรงให้นำทองคํามาตีเป็นโล่ใหญ่สองร้อยอันแต่และอันใช้ทองคาหนักประมาณสามจุดห้ากิโลก ร, รมัมและทําเป็นโล่เล็กสามร้อยอันแต่และอันใช้ทองคําหนักประมาณหนึ่งจุดเจ็ดกิโลก ร, รมัมพระองค์เก็บโล่เหล่านี้ไว้ในตำหนักพนาเลบานอนแล้วกษัตริย์ยังได้ทรงทําพระที่นั่งขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยงาช้างและบุด้วยทองคําบริสุทธิ์พระที่นั่งนี้มีบันไดหกขั้นด้านบน พนักหลังเป็นรูปวงกลมที่วางพระหัตถ์ทั้งสองข้างมีสิงโตขนาบข้างละตัวที่บันไดแต่ละขั้นมีสิงโตยืนอยู่ข้างละตัวรวมเป็นสิบสองตัวไม่เคยมีเช่นนี้ในราชาันย์อื่นถ้วยเฉวยทุกใบของกษัตริย์ซุลมอนทําด้วยทองคําและเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมดในพนาเลบานอนล้วนทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดทําด้วยเงินเพราะในสมัยซุลมอนถือว่าเงินด้อยค่า กษัตริย์ทรงมีกองเรือพาณิชย์ร่วมเดินทะเลกับกองเรือของฮีรามเรือบรรทุกทองคาเงินงาช้างลิงและลิงบาบูนกลับมาทุกสามปีกษัตริย์โซมอนทรงมั่งคั่งและมีพระปรีชาญาณเหนือกว่ากษัตริย์ใดๆทั้งปวงในแผ่นดินโลกคนทั้งปวงใคร่จะมาสดับฟังสติปัญญาซึ่งพระเจ้าประทานไว้ในพระไถยของพระองค์ปีแล้วปีเราทุกคนที่มาจะนําเครื่องบรรณาการมาถวายได้แก่เครื่องเงินเครื่องทอง เชื่อพระอาภรณ์อาวุธเครื่องเทศมา้าและลอกโซโลมอนส่งสะสมรถม้าศึกและมา้าพระองค์ทรงมีรถม้าศึกหนึ่งพันสี่ร้อยคันมีม้าหนึ่งหมื่นสองพันตัวซึ่งพระองค์ทรงเก็บบางส่วนไว้ที่หัวเมืองซึ่งใช้เก็บรถม้าศึกและบางส่วนอยู่กับพระองค์ที่กรุงเยรูเซาเลม็มพระองค์ทรง ท, ทาให้เงินในเยรูเซาเลม็มมีมากมายเหมือนก้อนหิน และมีไม้สนสีดาดาดดืนเหมือนต้นมะเดื่อแถบเชิงเขาม้าของโซโลมอนนั้นนำเข้าจากอียิปต์และคูเอคือพ่อค้าหลวงซื้อมาจากคูเอรถม้าศึกแต่ละคันที่นำเข้ามาจากอียิปต์มีราคาเท่ากับเงินหนักห0รเชเคลม้าราคาตัวละหนึ่งห้าเชเคลพวกเขายังส่งออกไปขายต่อให้กษัตริย์ทั้งปวงของชาวฮิตไทและชาวอารมด้วยบทที่11ครับ นอกเหนือจากที่ดาของฟาโรแล้วโซโลมอนทรงรักหญิงต่างชาติจำนวนมากได้แก่ชาติโมอั압อัมโมนเอโดมไซดอนและฮิตไทพวกนางมาจากชนชาติที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัดห้ามประชากรอิสราเอลว่าเจ้าจงอย่าแต่งงานกับคนเหล่านั้นเพราะพวกเขาจะชักนำเจ้าให้หันไปฝักใฝ่พระต่างๆของเขาอย่างแน่นอนถึงกระนั้นโซโลมอนก็ทรงผูกพันรักใคร่หญิงเหล่านั้นโซโลมอนทรงมีมเหสีเป็นเจ้าหญิง เจ็ดร้อยคนและนางสนมสามร้อยคนหยิงเหล่านั้นทำให้ชุลมอนหลงไปพี่น้องครับมีสามมอครับซึ่งเป็นภัยคุกขามต่อชีวิตของผู้นำที่พระเจ้าได้ส่งเจมิมได้ส่งตั้งไว้มอแรกก็คือม้าครับม้านั้นมีความหมายถึงอำนาจมีความหมายถึงเกียรติยศโุลมอนมีม้ามากครับ ท่านสะสมมาหมอที่สองครับก็คือเมียรครับมีเมียมากนั่นคือโซโลมอนครับตั้งที่บอกว่าฝักใฝ่รักใคร่หญิงต่างชาติแล้วก็ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าพระเจ้าห้ามแต่ถึงแม้กันนั้นพระกัมพีใช้ว่าถึงแม้กันนั้นโซโลมอนก็ทรงผูกพันรักใคร่หญิงเหล่านั้นพี่น้องครับโซโลมอนมีมาเหสี เป็นเจ้าหญิงเจ็ดร้อยคนและนางสนมสามร้อยคนรวมกันนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ 1,000 คนครับหญิงเหล่านี้ทำให้โซโลมอนหลงไปหลงไปจากไหนครับหลงไปจากพระเจ้าครับไปติดตามพระต่างๆพระคัมภีรได้กล่าวไว้ชัดเจนครับว่าโซโลมอนนั้นเสียคนตอนแก่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในข้อที่สี่โซโลมอนทรงพระชราภาพ หญิงเหล่าน bills, no. term, ั้นไดโน้มน้วพระทัยให้ติดติดตามพระต่างๆโซโลมอนไม่ได้จงรักภักดีต่อพระยาเยาเวอีกต่อไปเหมือนกับดาวิดราชบิดาพี่น้องครับสามมอครับมอที่สามมอแรกคือมีม้ามาาครับหมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีมอที่สองคือมีเมียมากก็คือประพฤติผิดในเรื่องของการแต่งงานกับหญิงต่างชาติทำให้หลงไป อันที่สามครับหมอที่สามก็คือมั่งคั่งมากครับมั่งคั่งมากจนเกินไปร่ํารวยมากจนเกินไปจิตใจฝักใฝ่อยู่กับความสําเร็จทางด้านการเงินความร่ํารวยพี่น้องครับสามหมอครับมีม้ามากนะครับเกียรติมีเมีย ม, มากก็เป็นเรื่องของการล่วงประเวณีและมั่งคั่งมากก็คือร่ํารวยจับสินเงินทองพี่น้องครับทั้งสามนี้ เป็นสิ่งต้องห้ามของพวกเราซึ่งเป็นขีตเตียนครับพระอังพีได้กล่าวไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สิบเจ็ดข้อสิบสี่ถึงยี่สิบผมจะอ่านให้พี่น้องฟังครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สิบเจ็ดข mm ้อสิบสี่ถึงยี่สิบเมื่อท่านได้เข้าไปครอบครองและตั้งถิ่นฐานในดินแดนซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านแล้วและกล่าวว่าให้พวกเรา ตั้งกษัตริย์ปกครองเราเหมือนชนชาติทั้งปวงรอบๆเราจงแน่ใจว่าท่านแต่งตั้งคนที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์เขาจะต้องเป็นคนอิสราเอลไม่ใช่คนต่างดาวกษัตริย์ต้องไม่หาม้ามากมายมาเป็นของตัวหรือส่งคนไปที่อียิปเพื่อหาม้ามาเพิ่มเพราะองค์พระคุณเจ้าตรัสไว้ว่าเจ้าจะต้องไม่หวนกลับไปทางนั้นอีกเขาจะต้องไม่มีภรรยาหลายคน มิฉะนั้นจิตใจของเขาจะหันเหไปและเขาจะไม่ต้องสะสมเงินทองไว้มากมายพี่น้องครับสามหมอครับพระเจ้าห้ามครับอย่ามีม้ามากอย่ามีเมียมากและต้องไม่สะสมเงินทองความมั่งคั่งพี่น้องครับสามมอนี้เป็นของต้องห้ามสำหรับพวกเราทั้งหลายทุกทุกคนแหละครับอย่าคิดว่าตัวเรามีสติปัญญามากประสบความสำเร็จสูง โซโลมอนนั้นก็เช่นเดียวกันครับสติปัญญามากนะครับประสบความสำเร็จสูงเคยรักพระเจ้ามากมายดีเดียวทำถึงขนาดที่ว่าสร้างพระวิหารให้กับพระเจ้าไม่มีใครเคยรักพระเจ้าทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเหมือนกับโซโลมอนแต่ในที่สุดครับเมื่อเขาพลาดจากการพระเจ้าเตือน เรื่องสามมอยงับในที่สุดเสียคนตอนแก่ครับจึงเป็นสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งพี่น้องครับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอให้เราอย่าเสียคนตอนแก่ครับให้เราที่จะรักพระเจ้าตลอดไปให้เรารักพระองค์สุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดอย่าให้ใครมาโน้มน้าวให้เราไข้เขวไป อย่าให้เสียงต่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งจะเป็นเกียรติยศไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงจะทำให้ชีวิตของเราได้เสื่อมเสียในยามชราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะไม่เป็นเหมือนกระสับมรมสมครับและขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระเราให้เราจะมีชีวิตที่เหมือนกับยอนครับยอนผู้ให้บัพติศมานั้น ท่านกล่าวไว้ในพระธรรมกิติขุณย่อนบทที่สามท่านได้บอกว่าในข้อที่สิบเจ็ดครับไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขาไม่มีมนุษย์ผู้ใดเลยได้รับสิ่งใดนอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขาและในข้อที่สามสิบครับท่านบอกว่าพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้า ต้องด้อยลงพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะต้องให้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขึ้นและเราจะต้องถ่อมตัวลงต้องด้อยลงเพื่อเป็นการถวายสรรเสริญถวายเกียรติแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาเมน